อะไรเป็นสมบัติอันล้ำค่าสิ่งธรรมสิ่งภาวนาอ่ใช่แล้วไม่ใช่ใช่ไพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธศาสนาอ่พระรัตนตรัยรัตนแก้วแก้วเพชรเพชรที่ยิ่งใหญ่เพชรที่มีคุณค่า เพชรที่มีความวิเศษเหนือกว่าเพชรทั้งหลายเพชรสีฟ้าที่เขาว่าราคาเป็นร้อยล้านพันล้านก็ซู้เพชรของพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เพชรต่างๆในโลกนี้ต่อให้มีราคาแพงเท่าไหร่ ก็ยังไม่มีคุณค่าเท่ากับเพชรของพระรันตนตรัยเพราะเพชฌนี่ทำอะไรให้เราไม่ได้ทำให้ใจเราพ้นทุกข์ไม่ได้นอกจากทำให้ใจเราไม่พ้นทุกข์แล้วยังทำให้ใจเราทุกข์มากขึ้น พอมีเพชรแล้วนี่ก็ต้องทุกขกับการดูแลรักษาเก็บไว้ที่ไหนดีซ่อนไว้ที่ไหนดีเอามาใส่ก็กลัวเขาเดี๋ยวคนจะมาป้อนมาจี้มาฆ่า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> พวกเราอยากได้เพชรกันแล้วกัน <Yeah. S 2> uh huh. เพชรเท่าเม็ด uh, mm hmm. เม็ดอะไรเม็ด เม็ดแตงโมนี่ก็โหตาวาวแล้วอถ้าได้เม็ดเท่ากับอะไรพุทธาเนี่ยคงจตื่นเต้นนะแต่มันมันทำอะไรให้เราได้บ้าง น, น, นะนอกจากทําให้เราตื่นเต้นทําให้เราดีใจทําให้เราได้มีของใบอวดก็เลยโอฉันมีเพชร เม็บมะลิมเลยลเองค์เพอไม่มีฉันวิเศษกับพวกเธออันนี้เป็นความหลงความเข้าใจผิดมันไม่ได้วิเศษอะไรคนมีเพชรกับคนไม่มีเพชรมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันใช่ไหมมันก็ทุกข์เหมือนกั น, น, นเวลาแก่ก็ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ เวลาตายก็ทุกข์แต่คนที่มีพระรัตนนาจัยเนี่ยไม่ทุกข์อันนี้แหละขอให้เราจําไว้ให้ดีความแตกต่างระหว่างเพชรทั้งหลายกับเพชรของพระรัตนนาจัยเนี่ยมันต่างตรงที่มันทําให้เราทุกข์หรือไม่ทุกข์กันะยิ่งมีเพชรมากยิ่งทุกข์มากเนีย่ยจะเก็บไว้ที่ไหนดี เก็บไว้ไม่ไม่ฉลาดก็เดี๋ยวคนอื่นก็มาขาโมยไปได้แล้วมีไว้ก็ไม่ได้ทำให้เราหายทุกเวลาแก่ก็ทุกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกเวลาตายก็ทุกเวลาเสียคนที่เรารักไปก็ทุกเวลาได้คนที่เราไม่ชอบมาก็ทุก เวลาได้ลูกขคยลูกสะพ้ายที่เราไม่ชอบเนยสุขแลือทุกข์นี่คือสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถทำให้เราไม่ทุกได้มีอะไรมากน้อยเพียงไรมีจรวดมีดาวเทียมสมัยนี้มีเครื่องบินส่วนตัวมีอะไรส่วนตัวหมดทุกอย่าง ลดส่วนตัวอะไรส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้ทำให้เราไม่ทุกข์กัน เ, เราก็ยังทุกข์กันอยู่เหมือนเดิมนี่แหละดังนั้นพวกเราต้องถือว่าเราโชคดีอยู่ดีๆก็มีมีเพชรของพระรันตนใจ เข้ามาในกรร ม, มือเราอยู่ดีๆก็ล่วงลงมาจากท้องฟ้าที่หายากมากที่นานๆจะตกลงมาจากท้องฟ้าสักครั้งหนึ่งเป็นเวลาเป็นกลับนะกว่าจะมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นมาในโลกนีสักครั้งหนึงคำว่ากลับนี้ก็นับไท่้วนเวลา ยาวมากยาวจนไม่รู้ว่าจะบอกว่ายาวอย่างไรเขายกตัวอย่างว่าทุกร้อยปีถ้าเอาผ้ามาลูบภูเขาหิมารายหนึ่งครั้งทำอย่างนี้ทุกร้อยปีเนี่ยลูปไปจนกว่าภูเขาหิมารายจะสึกหายไปถึงจะได้เวลาหนึ่งกับกิน ด, ดูก็แล้วกันนะรูบผลเดียวมันจะสึกแค่ไหน แล้วภูเขามันสูงเท่าไรใหญ่แค่ไหนเป็นรูปกันนานเท่าไหร่ถึงจะทำให้มันาหายไปสึกหายไปหมดนั่นแหละคือเวลาหนึ่งกับเวลาที่เราจะได้มีพระรัตนนาตายปรากฏขึ้นมาในโลกหนึ่งสักครั้งแล้วจังหวะที่เรามาเกิดมาเจอพระรัตนนาตายนี่มันก็ ไม่รู้จะตรงกันหรือเปล่าชาตินี้เรามาเกิดตรงกันแต่เราก็อยู่ได้แค่น้อยปีเป็นอย่างมากลายไปข่าวหน้ากลับมาเกิดก็อาจจะไม่ได้เจอเพราะรัตนตรัยก็มีอายุเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าไม่เกินห้าพันปี คำว่าพยากรห้าพันปีนี่มาจากไหนก็มีเรื่องคือวันหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุแล้วทางพระราชบิดาก็ส่งคนมานิมนต์ให้ไปโปรดในวังพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปในวังพระพุทธมารดาเลี้ยง แม่เลี้ยงที่เลี้ยงพระพุทธเจ้าพ่อแม่จริงตายไปเจ็ดวันตอนที่คลอดออกมาก็เลยเอาแม่เลี้ยงซึ่งเป็นน้องสาวน้องสาวหรือพี่สาวเนี่ยมาเป็นภรรยาของพ่อก็เลยเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะมาก็ดีใจที่ได้พบกับเจ้าชากับพระพุทธเจ้า ก็ขอถวายจีวรเย็บด้วยตนเองตัดเย็บด้วยตนเองถวายผ้าจีวรให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับปฏิเสธบอกว่าให้ไปถวายให้กับสงฆ์อย่าถวายให้กับเราคำว่าสงฆ์ก็คือให้เป็นสมบัติของพระทุกรูก ให้สงฆ์พิจารณากันเอาเองว่าใครขาดผ้าก็ให้ภารูปนั้นได้ภาพไปใช้สำหรับตัวพระพุทธเจ้าเองนี่มีผ้าเหลือเฟือขอถวายครั้งที่สองก็ปฏิเสธถวายครั้งที่สามก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าการถวายของ่า้กับสงฆ์นี้จะทำให้ศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยนี้อยู่ได้ถึงห้าพันปีถ้าถวายให้กับพระพุทธเจ้าอยู่ได้แค่แปดสิบปีพระพุทธเจ้าก็ตายเพราะถ้ามีแต่ถวายให้พระพุทธเจ้าพระลูกอื่นก็ไม่มาบวชกันเบวชแล้วไม่มีพระสยกันถ้าทุกคนจะทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครดูแลพระสงฆ์ ถ้าไม่มีพระสงฆ์พอพระพุทธเจ้าตายไปก็จบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะหมดไปนี่ที่มาที่มีคำว่าห้าพันปีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่วันที่พระพุทธเจ้าไปไปโปรดญาติพี่น้องในหวังนี่คือถ้าไม่ ถ้าไม่ดูแลพระสงฆ์เนี่ก็จะไม่มีพระสงฆ์มาทําหน้าที่รักษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าตายไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเรามีตัวแทนเรายังอยู่คือพระธรรมคําสอนผู้ที่จะเอาพระธรรมคาสอนมาสอนก็ต้องคือพระสงฆ์ โยมจะเอาเ้าทำพระเจ้ามาสอนนด้โยมไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติก็ต้องพระสงค์องค์เจ้าที่มาบวชกันมาปฏิบัติกันดังนั้นถ้าอยากจะให้ศาสนาคงอยู่ต้องดูแลพระสงฆ์ทุกรูปไม่ใช่รูปใดรูปหนึ่งชอบพระรูปนี้ก็ถวายแต่ของรูปนี้ เมื่อเช้าที่ศาลาเนี่ยแถวหน้านี่โอ้โหยาวไปถึงแถวแถวหลังด้วยสิก็ยังดีไม่เป็นไรเพราะว่าของเหลือจากปลายแถวก็เอาไปต่อได้ไม่แต่ดูแล้วก็แปลกใจทำไม ย, ยอมนั่งรอกันแถวหลังสันๆไม่เอาเล ใสบาทหลวงพ่ อ, เ, อเขาก็มาใส่กันเนยอะใจโยมมาไม่ได้ขี่ลเซลล์ไม่เต็มมัก็ใส่ที่ไหนหลวงพ่อก็บอกว่าใส่ที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันรูเ้เลยไม่มาก็าใส่ที่เขาตโลเนี่ยพระมีตั้งห้าหวัดเดินแต่นเขาจะไม่มีของจะใส่แต่มันก็ต้องพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อธิบายว่าคําว่าส่งนี่ก็ต้องเป็นสองแบบไหน สมแบบสุปฏิปันโนเลยก็ม่ว่ายงนเนี่ยสุปฏินู้นมา่อบอกว่าใส่ก็เป็นาบถ้าไปใส่กับพวกที่ไม่ใช่สุปฏิปันโนมันก็มันก็ไม่ใช่ค่ะใช่ไหมส่วนแล้วส่วนบาเนี่ยสุปฏิปันโนปกวโตสาวกสังโขอุชุยายะสามิจิก็ต้องดูพระด้วยว่าเป็นอุ สุปฏิปันโนหรือป่าอุชุหรือเปล่ายายะหรือเปล่าสามีจิกหรือเปล่าเดี๋ยวก็ไปใส่บาตรกับเช้าใส่บาตรเช้าเช้าบินทบาทกลางวันไปเปิดวงนั่งเรนทายกัน อันนั้นไม่ใช่สุปฏิปันโนเขาเนี่ยนะตำรวจตามจับอยู่ เ, เนี่อยก็ถูกเวลาทำก็กต้องเลือกตต้องรู้ว่ า, เ, าเป็นพระแท้พระจริงพระไม่จริงก็ไม่ใช่ไม่ใช่พระรัตนาไัยไม่สามารถที่จะสอนให้เราดับทุกข์ได้ นี่ก็ของอย่างนี้มันก็คนที่เข้าวัดอยู่เรื่อยๆก็รู้เข้าวัดหลายๆวัดนี่จะรู้ว่าวัดไหนเป็นยังไงมันเหมือนกับคนที่ไปซื้อเพชร <c oughs> ซื้อเพชรบ่อยๆจะรู้ว่าเพชรแท้เ <c oughs> พชรเทียมเป็นยังไงวันนี้หนูพูดเรื <c oughs> อ่องเพชรเพราะว่าหนูพูดเรื่องเพชรเข้าใจเดียวกันไง นึกพูดเรื่องเพชรรกล่อมเท่าไรไดมอนด์ทำไมรู้ใจกันเนะไม่รู้รู้ว่่อะเเงทปรหลว่มาพอถามว่าสมบัติคืออคไรไดมอนด์เราคิดอะไรมันก็กระจายเสียงเหมือนเหมือนเหมือนวิทยุเหมือนสถานีวิทยุกระจายเสียงคนที่กำลัเครื่องรับเขาก็รับได้ก็ไม่รู้คิดว่าจะมาถาม ถามกระสินหรงพ่ออาเทศกะสินขึ้นมาไม่ได้ถามเลยไม่ถามสักอย่างเลยก็เนี่ยหละจิตของเรามันคิดแล้วมันมันเหมือนเหมือนกับสถานทีวิทยุกระจายเสียงใครมีเครื่องรับก็รับกันนะเชื่อไหมจริงไหมไม่ไม่กล้าคิดดัง คิดเมียบก็กระจายเหมือนกันไม่ไม่ออกปากไม่ออกอะไรเพียงแต่คิดในจิตมันออกมาแล้วกระแสจิตมันไหลไปน้องฟังเลยนั่งมาย่ยไม่นัดมาูวัเลยวันนี้หลงพ่ยางยังไงเนาะปเนมันก็เองโอเคนะกะก็ขึ้นกะดัต้องสนสองแสนกว้าไปแต่้งากว่า สมบัติอันใดล้ำค่าเออถามถึงประเด็นนั้นแล้วก็บอกภาษีภาวนาว่าไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นก็ใช่แต่มันมันมันไม่ชัดเหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนนาฏถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็จะมีทานศีลภาวนาอท่านก็จะสอนทานศีลภาวนาถ้าไปหาพระที่ไม่ใช่เป็นพระสงฆ์นี่ท่านไม่สอน่ะ อนยังมาก็ครึ่งเดียวทานจีนภาวนานี่ไม่ค่อยมีใช่เพท่านไม่ภาวนาเอง <c oughs> <c oughs> แล้วท่านจะเอาภาวนาที่ไหนมาสอน <c oughs> ทานไม่ได้หละคนถ้าไม่ทำแล้วจะไปสอนคนอื่นให้ทำได้ยังไงตัวเองต้องทำก่อนถึ <c oughs> ง, ง <c oughs> จะสามารถสอนคนอื่นได้ ส่วนใหญ่ไปวัดไหนก็จะไม่ค่อยได้ยินเรื่องภาวนาอนะไรจะได้ยินแค่ทา น, นทานนี่เยอะยิ่งมาวันนี้โอ๋ไหวทำเยอะๆ <c oughs> อะได้รวยยิ่งทำยิย่งรวยสินกแค่สินห้าก็พ อ, อ ยังไมรักษาสีลแปดหรสุดตรงนั่นสุดตรงพวกรักษาศีลแปดนี่พวกสุดตรงว่าโกกค่ะคนนันอกหักไม่ต้องไปรักษาศีลแปดนะรักษาศีลห้าทำบุญก็พอแล้วตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดากลับมาก็ได้รวยเรื่อง เรื่เวียนว่ายตายเกิดเรื่องนิพพานนี่ยังมันเกินไปอไม่มีใครทําได้หรอกสมัยนี้หมดหมดยุคหมดสมัยแล้วออส่วนใหญ่กขาคิดกันอย่างนั้นก็เลยไม่มีใครไม่มีใครเรียนไม่มีใครสอนกันก็มีไม่กี่คนนะผ้าที่สนใจเรื่องภาวนา น, นับจำนวนได้ในเมืองไทยพระมีกี่แสนนพระที่ภาวนาที่สอนภาวนานี้มีไม่มากส่วนใหญ่ก็เป็นพระป่าอพวกที่ภาวนาต้องไปอยู่ป่าอยู่บ้านแล้วมันภาวนาไม่ได้หรอกมันวุ่นวายพระอยู่บ้านพระวัดบ้านก็วุ่นวายกับชาวบ้านะวุ่นวายกับงานศพ ส, สวดศพเห็นไหม สมัยที่เราบวชนี่เราคิดอยู่ในใจแล้วถ้าวัดไหนมีศกมีส่วนนี่ไม่ไปนะไม่บวชนะจะไปหาวัดที่มีปฏิบัติแต่ไม่มีสมัยนั้นวัดวัดบ้านไม่มีใครปฏิบัติอย่างนี้นก็รอโชคดีตอนนั้นพระค ร, รูบัวเกตท่านเพิ่งไปกาบผ้าป่ามาและกาบพระหลวงปู่ฟันที่สกลนคร แล้วท่านเห็นวัดป่าแล้วน้่มรื่นท่านศรัทธาอยากจะภาวนาท่านเลยกลับมาซื้อที่ข้างวัดเนะี่ยที่ข้างทางุดไฟที่เป็นวัดป่าซื้อที่ประวันนี่แหละท่านก็ซื้อที่นั้นมันเป็นสวนมะพร้าวแล้วก็ปลูกกระตอบเล็กๆ ก, ก็คงให้ญาติโยมอะไรชวนกันซื้ออะไรทนเะ บาอาจารย์พอพูดอะไรลูกเสกร็จก็เราก็ไม่รู้ว่าซื้อยังไงแต่ก็วก็ท่านได้ที่มาก็แล้วกันไม่รู้กี่ไร่ไม่ไม่ใหญ่มั้งสิบไร่หรื อ, อ ไ, รไม่ถึงตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีทางรถไฟตอนนั้นเราก็กำลังหาที่บวชพอดีเขาก็บอกว่าวัดแถวนี้ที่เค้งที่สวยก็วัดช่องลมนี่แะ ก็เลยเอาช่องรวมก็ไปไปก็ไปพบท่านแล้วก็ไปเล่าว่าเรากาลังภาวนากาลังปฏิบัติสติปัฏฐานสพูดอย่างนี้ท่านก็ตกใจไม่มีใครเขาพูดเรื่องเหล่านี้กันเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติของส่วนหนึ่งของศาสนาใช่ไ พอไปคู่ท่านบอกว่าบุตที่ว่าท่านไม่มีการปฏิบัติหรอกว่าท่านก็มีแต่เรียนเรียนแล้วก็สวดเกิดนิมนต์เราก็บอกตอนตอนที่เล่าให้ท่านฟังเราบอกเราอยากาวัดที่ปฏิบัติว่าที่ส่วนนี้ขอไม่ส่วนว่าที่เรียนก็ไม่ขอเรียนเรียนพอแล้วเรียนพอรู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอะไรตอนนี้สิ่งที่ขาดก็คือที่ปฏิบัติ หนังสือ น, นี้อ่านมาเยอะแล้วรู้แล้วว่าต้องทำอะไรแต่หาที่ปฏิบัติไม่มีปฏิบัติในบ้านมันก็ได้เหมือนปลูกต้นไม้ในกระถางมันก็มันก็โตได้แค่ขนาดของกระถางมันจะให้ต้นไม้ใหญ่กว่านั้นไม่ได้เพราะกระถางที่มันแค่รากมันไม่สามารถที่จะขยายออกไปได้ ต้องหาที่ลงต้นไม้ต้องเอาต้นไม้ออกจากกระถางตอนนั้นเราปฏิบัติอยู่ปีนี้ก็ ร, รู้สึกว่ามันมันเหมือนต้นไม้ในกระถางมันโตได้แค่นั้นก็เลยต้องบวชบวนแะ้เหมือนเอาต้นไม้ลงดินน่ะอาลงดินนี่คือดูต้นไม้ลงดินกับต้นไม้ในกระถางนี่ใช่ไหมมันใหญ่โตขนาดไหนต้านกันขนาดไหน เราก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องเรียนเรื่องสวดนะเพราะเราไม่เห็นคุณประโยชน์อะไรมันมันมีประโยชน์แค่ในระดับที่สอนให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติพอเรารู้จักวิธีปฏิบัติเราไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียนให้จบพระไตรปิฎกมันก็เหมือนกันพระไตรปิฎกมีต้อง8ปดหมสี่พัน ข้อเนี่ยมันก็สอนเรื่อกสามสามตัวเนี่ยสอนศีลสมาธิปัญญาสอนทานศีลภาวนาเท่านั้นน่ยไม่มีอะไรมากไปกว่านี้สอนให้ปฏิบัติ <c oughs> ท่านก็เลยบอกว่าท่านไปกาบพระป่ามาพระปฏิบัติแต่อยู่ทางภาคอีสา น, นแล้วท่านกําลังทางําสวนทําวัดปฏิบัติอยู่เราก็เลยขอไปดู ข อ, อนุญาตไปอยู่พอเห็นเราก็เลยชอบพอปฏิบัติในบ้านแล้วรู้สึกมันอึดอัดนะพอเห็นสวนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นป่าแต่มันก็เป็นที่ที่ไม่มีบ้านช่องรอบน้อมรอบก็เลยตอนนั้นยังไม่ได้บวชกำลังเตรียมตัวจะไปบวชยังไม่ได้ตัดสินใจก็เลยขออนุญาตอยู่ปฏิบัติที่สวนท่านเลยท่านก็ให้อยู่เมตตาให้กินข้าวกนบาศ ท่านก็แนะนําว่าถ้าจะบวชต้องไปบวชที่วัดบางวรนสมเด็จตยานบังวอท่านก็สนใจเรื่องปฏิบัติท่านก็ไปกราบครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานมาเหมือนกันกราบครูบาอาจารย์สายหลวงปูมงป่มัน่นเิด็์หลวงปู่มั่นถ้าไปบวชกับท่านแล้วท่านจะอนุญาตให้ไปอยู่ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์สายปฏิบัติได้ เพราะตามหลักพระวินัยนี้ถ้าบวชกับใครแล้วต้องอยู่กับพระองค์นั้น5ปีพ้าครูบอกว่าถ้าบวชกับพระครูบัวเกก็ต้องอยู่วัดช่องลม5้าปีก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ก็จะมีแต่งานสวดงานกิจนิมนต์งานสวดศพแล้วก็เรียนหนังสือ บอกว่าไปที่วัดบวรดีกว่าเพราะที่นั่นมีชาวต่างชาติไปขอบวชบวชแล้วท่านก็อนุญาตให้ไปอยู่ปฏิบัติกับวัดของคุบาจารย์ทางทางสายวัดป่านี่เราก็เลยตอนยังไม่ได้ตัดสินใจจะบวชหรือไม่บวชแต่นั้นยังสองจิตสองใจอรักที่เสียดายน้องอยู่ ใจนึงก็อยากจะบวชอีใจหนึ่งก็ไม่อยากจะบวชบวชแล้วมันเหมือนถูกจับเขาไปรังในกรงไปไหนก็ไม่ได้ถ้ายังเป็นคารวะอยู่นี้บางเวลาเบื่อก็ยังเปลี่ยนที่ไปนู่นมานี่ได้แต่ถ้าบวชได้ห้าปีไปไหนไม่ได้ติดคุกห้าปีก็เลยยังสองจิตสองใจอันนั้นมะ ฝันเพ้อฝันว่าถ้ามีใครให้เงินมาสักก้อนก็ดีจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไปทำงานจะได้ปฏิบัติต่อโดยที่ไม่ต้องบวชแต่ไม่มีใครให้มาเงินก็หมด <c oughs> ก็เลยต้องเลือกถ้าถ้าไม่บวชก็ต้องไปทำงานเพราะไม่ไม่มีเงินซื้อข้าวกินละบ้านมีอยู่บ้านฟรีแต่ข้าวไม่มี ถ้าไปทำงานก็เวลาก็จะไม่มีปฏิบัติได้เต็มที่ถ้าไปบวชก็สบายบ้านฟรีข้าวฟรีแล้วก็มีเวลามีแทมีที่ปฏิบัติ ด, ด้วยวัดป่าเป็นป่าก็เลยต้องยอมจำนด้วยเหตุผลเพราะใจยังอยากปฏิบัติอยู่ยังอยากภาวนาอยู่ก็เลย ตัดสินใจบวชก็บวชพอตัดสินใจนี่เหมือนยกภูเขาออกจาก อ, อกเลยใจนี้โล่โอ้เบาเบาใจดีใจสบายใจใจนี้เห็นอะไรสดใสไปหมดสวยงามไปหมดตอนที่กำลังตัดสินใจนี่โอโ้โหทุกทรมานใจจะไปทางไหนดีเห็นถ้าเราเจอ ปัญหาแบบนี้ร it ีบตัดส in <t Ay damn bullshit> ินใจนะเอาทางใดทางหนึ่งไปแต่ดองเอาให้ถูกทางนะเอาผิดทางเดี๋ยวก็น้ําตาตกในคอาย์ยอมถามตรงตอนที่พระอาจารย์เริ่มอ่านหนังสือทาไมพระอาจารย์ถึงเริ่มที่จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับภาวนาคะเพอาื่องทเป็นสายวิทย์ไม่ว่าจะวิศวาหรือหมอทั่วไปก็ มีความรู้ถึงโลกเยอะแต่ก็ไม่เชื่อเรื่องเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าการทุกข์ เ, เรื่องนี้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดไม่ไม่สำคัญอน่ยมันไม่สำคัญที่ใจ<ม>เราเห็นใจว่าเราใจเราทุกข์หรือเปล่ารู้สุก<ม>นี่เรามันเห็นใจเรามันทุกข์อยู่เรื่อยตอนต้นก็คิดว่าเรียนหนังสือจบแล้วจะหายทุกข์ เรียนหนังสือจบก็อยากจะไปเมืองนอกก็ทุกข์อีกยังไม่ได้ไปก็ต้องหาเงินทำงานไปพอได้เงินไปเมืองนอกไปเรียนหนังสือก็ดีใจพอไปเรียนก็ทุกข์อีกทุกข์กับการเรียนอีกแล้วก็ต้องทำงานเงินก็ไม่พอต้องเงินทางบ้านส่งไปก็ไม่พอก็ต้องทำงานด้วยเรียนไปด้วยก็เหนื่อยก็ทุกข์กตอเรียนจบก็คิดว่าทุกข์จะหมด ก็มาทุกข์กับหาางานอีกนินจบก็ดีใจตอนจบใหม่ๆก็โล่งออกไม่ต้งเรหนังสือแล้วได้เที่ยวเอาเที่ยวมันอยู่เดือนสองเดือนเงินหมดเอาหางานทำแล้วสิไม่มีงานทําก็ทุกข์อีกแล้วพอได้งานก็ทุกข์อีกทุกข์มามันรู้จะเขาจะให้ออกเมื่อไหร่ค่ะอาจารย์ไม่คิดว่ามันสุขสุขกทุกขสนุกดีบ้างหรอคะ ก็ไม่รู้ว่ามันเวลาสุกมันนี่ก็ดีแหละแต่เวลามันทุกข์มันไม่ดีเมีคนบอกมาแบบนี้โยมก็โยมก็เลยแบบ อ, อยากมาถามพระอาจารย์ว่าอเออมีคนคิดแบบแบบหลากหลายอ่ะเออก็เราก็คิดแบบนี้ว่าแล้วมันวิธีแก้ทุกข์ดับทุกข์ของนั้นนี้ไม่ใช่ไม่ถูกทางนะดับทีไรมันก็มีทุกข์ใหม่โผล่มาทั้งทีมีเรื่องใหม่โผล่เข้ามาให้ทุกข์อยู่เรื่อย เวลาไม่มีงานก็ทุกพอได้งานก็ทุกกับการทำงานเองจับงานก็คอยจี้คอยสั่งคอ ย, เ, อย <S 2> <S 2> <S เราก็ต้องไปจี้ไปสั่งลูกน้องอีกมันก็เครียดอีกมันมันรู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องเครียดตลอดเวลาจนพอได้อ่านหนังสือก็ได้ทราบว่าวิธีดับทุกข์ก็คือวิธีภาวนาเลย ถ้าจะดับทุกด้วยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ดับไม่ได้หรอกดับด้วยลาบยศสารเสสนี่ดับไม่ไม่มันดับได้เดี๋ยวเดียวเวลาเงินเดือนออกก็ดีใจนะะเดี๋ยวใช้เงินหมดก็ทุกข์ลวเงินไม่พอใช้เวลาได้ทำหน่งก็ดีใจแต่เดี๋ยวถูกโยกย้ายถูกปลดก็เสียใจมันก็เลย เห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับทุกได้นะถ้าไปแต่งงานก็ดีใจวันสองวันเวลาแต่งงานกันนะ่ะเดี๋ยวอยู่กันสักพักก็เดี๋ยวถ้าแท้ก็ออกมาลนะอ๋อเดี๋ยวแยกกันก็สาวญี่ปุ่นไปไหอะไรสาวญี่ปุ่นที่ว่าไปเจอกันอ๋อก็เจอกันก็เจอกันเดี๋ยวเดียว รู้จับได้แตอว่าะเอียด <c oughs> อันนี้บังเอิญก็เรียกว่าธรรมะจัดสรรไม่ได้ไม่ไม่เคยคิดว่าจะไปมีรู้จักคนญี่ปุ่นแต่พอดีวันนั้นจะขึ้นเครื่องจากโอซาก้าไปโตกเกียวไปไปไปต่อเครื่องไปฮาวายานี่เขามีเวลาออกจากโอซาก้าตอนสี่ห้าโมงมั้งแล้วแต่มัน เกิดมีไต้ฝุนเข้ามันไปออกไม่ได้มันต้องช้าไปสองสามชั่วโมงพอไปถึงโตเกียวเครื่องที่เราจะต่อนี่เขาไปแล้วไปฮาวายแล้วต้องต้องรอวันทุ่งนี้เขาก็มีวันละเที่ยวนะแล้วทางสายการบินเขาก็ต้องรับผิดชอบจัดหาที่พักให้เราพักในโตเกียวหนึ่งคืน ไม่ได้กะจะค้างที่นั่นก็ได้ค้างแล้วก็ไอโรงแรมที่เขาจัดธรรมดาโรงแรมแบบธรรมดาสองดาวสามดาวมันก็เต็มหมดเขาบอกว่าคุณโชคดีตรงนี้ต้องจัดห้าดาวให้คุณจัดโรงแรมห้าดาวโรงแรมโอกุละเนี่ยแล้วห้องธรรมดาก็ไม่มีต้องเป็นห้องสูงด้วย้ <c oughs> <c oughs> อมอกกมีห้องรับแขกมีห้อง นะมีทอศัพท์ในห้องน้ำด้วยก็น้าไม่ก็อยู่แต่ได้อยู่ฟรีแล้วช่วงที่นั่งอยู่บนเครื่องก็แอร์เขาก็ทํางานไม่ได้เพราะเครื่องมันโครงมันเป็นเหมือนกับปลายใต้ฝุ่นมันนมมันยังแรงอยู่เครื่องพอบินได้แต่ทุกคนต้องนั่งรัดเข็นขัด เรานั่งอยู่ท้ายเครื่องอร์เขาก็เลยมานั่งติดกับเราก็เลยได้คุยกันคุยกันก็เขาก็ถามไปไหนก็บอกเราจะไปฮาวายไปไปต่อเครื่องที่โตเกียวคุยกันก็เขาก็แบบมาเสียดายเนะยถ้าได้อยู่โตเกียวจะพาเที่ยวกวางเนี่ย <c oughs> อ <c oughs> ขาพูดเอง <c oughs> พอเราไปถึงโตเกียวรู้ว่าไปฮาวายไม่ได้ต้องค้างพอไปที่พักถึงไปถึงที่โรงแรมมันก็สี่ทุ่มสี่ห้าทุ่ก็ถามว่าจะติดต่อกับคนได้โตเกียวได้ยงไงเบอร์โทรศัพท์ไม่มีเขาบอกให้ส่งโทรเลขไปเราก็เลยพอดีเขาทิ้งที่อยู่ไว้ให้เราก็เลยส่งโทรเลขไปว่าตอนนี้ตกเครื่องค้างอยู่ที่โรงแรมนี้ ถ้าว่างก็มามาพบกันหน่อยแล้วตอนเช้าแปดโมงเขาก็มามาที่โรงแานแล้วเขาก็สาพาไปเที่ยวตงเตียวพาไปขึ้นไ อ, อ้ขอคอยตงเดียวนะครับพอดีช่วงนั้นเขาเพิ่งเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกปีหกสี่เนาะตอนที่เราไปนั่งปีหกเจ็ดเขาก็เลยพาไปดูสนามกีฬาโอลิมปิก แล้วก็พาไปเดินเที่ยวในสวนพาไปแถวกินซ่าอะไรเนียก็ไปก็ใช้เวลาไปทั้งวันถึงถึงยิบห่ายเกือบเย็นนะก็ไปโรงนามระหว่างทางก็ส่งเขากลับบ้านเขาไปเรากลักบโรงนามเต็มตัวไปขึ้นเครื่องก็มีทานนี้ก็ ไม่มีอะไรไม่รู้จะพูดอะไรก็หาเรื่องพูนว่าอนี้มันเหมือนธรรมะจัดสรรไหมไม่เคยท่าไม่เคยคิดจะนอนที่นโรงงานไม่เคยคิดจะพักที่โตเกียวเพราะไม่รู้จักใครไงที่ไปพักที่โอซาก้าเพราะมีเพื่อนคนไทยเรียนหนังสือด้วยกันพอดีก็ไปฝึกการอยู่ที่โอซากา้าเขาไปเลยลาภาษาชวน ให้ไปพักที่นั่นแล้วเขาพาเที่ยวแถวเกียวโตโอซาก้า hmm. ไปนั่งในรถไฟรอรถจักรดอะไรนั่นนะรถ อ, mm hmm. อ่าแล้วขอวอนาตด้ยค่ะอยจะมาถึงสีลทีนี้ว่าไปจองห้องจองจองจองที่ไหนกันคะป้าจเก่งเกมงออยามเก่งเก่งก็ตอนเดี๋ยวถามยามที่ประตูเลยป่าไม้เนี่ยป่าไม้เล็เลยอ่า อาไม้ามาก็มีบ้านอยู่เดี๋ยวถามยางที่ประตูะ่มีบ้านพักปฏิบัติธรรมที่เขามาพักปฏิบัติธรรมนั้นเาติดต่อกับใครจองที่พักยังไตงตอนมีเพียงอยู่สองคนพี่ใส่ชิ้ขึ้นบ่อยถามหวงพอที่ที่เราไปว่าจต้องไปพูนพานกับใครอย่างเร า, อ, าง อ, องอะรถามยานที่หน้าประตูเขา ต้งปฏิบัติกป็นนะครับปฏิบัติไม่เป็นเกาไม่อยู่นะอแล้วก<ม>็วให้อยู่คนเดียวไม่ไม่พูดคุยกัน ใ, ให้เก็บตัวอยู่ในที่พักก็เคไปปิดปากาที่เขาดึหนงงังสือได้ใช้สังฆทานไม่มีไม่มีสวดไม่มีอะไรไม่มีลงทําวัดเช้าเย็นอะไระมีแต่ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรร ม, มากเลย ฟังถ่ายทอดสดอะไรเียได้อยู่แะให้เก็บตัวให้ปีกวิเวกให้อยู่คนเดียวไม่คลุกคลีกันไม่ไม่พบปะกันไม่คุยกันยยใอู่สงสัยประเด็นที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าปฏิบัติ โดยที่ยังไม่ได้ปวดเนี่ยเหมือนต้นไม้ในกระถางแต่ถ้าปวดแล้วเหมือนต้นไม้ลงดินอื ม, ม, ามายถึงยังไงคะก็ <c oughs> มันจะเติมเติบโ ต, ตได้ไงต้นไม้ใหญ่มันใหญ่เพราะมันถ้าใส่ไว้ในกระถางมันไม่ใหญ่หรอกคือ <c oughs> ถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่ปวดคือสภาพแวดล้อมมันไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะอ่ามันไม่พอเหมือนรักษาตัวที่บ้านกับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมันไม่ครบบริบูรณ์ อยอยู่บวชแล้วมันหนึ่งไม่ต้องไปทํากิจกรรมการงา น, นางต่างๆไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครไม่ต้องมากังวลกับรายรับรายจ่ายไม่ต้องมาหาเงินหาทองบวชแล้วก็จะได้มีเวลาปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยสองได้อยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ที่มีประสบะการณ์เหมือนไปเรียนมาหาลัยเรียนที่บ้านเองกับไปเรียนมาหาลัยอันไหนดีกว่ากัน เรื่องที่มาอะไรก็มีอาจารย์ที่เรียนจบมาแล้วสอนวิชาหมอต่างๆเนี่ยอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์หมอเนี่ยเขมีประสบะการณ์แล้วก็สอนวิธีรักษาโาครคภัยแค่เจ็บให้กับเราได้ถ้าเราเรียนที่ด้วยหนังสือด้วยตัวเองนี่มันยังเรียนแล้วมันยังไม่เข้าใจอันนมันต้องมีอาจารย์ถึงแม้จะมีหนังสืออ่านหนังสือก็สู้อาจารย์ไม่ได้ พอเวลาสงสัยเนี so earth, trabalho, <run> been, ่ยหนังสือมันจะหาคำตอบไม่รู้จะหาตรงไหนมันอาจจะมีแต่มันไม่รู้อยู่ตรงไหนอกว่าจะเจอก็บวทแรงกว่ดีหายสงสัยก็่าเหน่วยที่หายมาเนเหนื่อยหาไม่เจอก็ไม่สงสัยดีกว่ารับปฏิบัติถ้าปฏิบัติไปเองเราไม่ทํางานแต่ว่ามีคําถามขึ้นขึ้นมากลับเรียนถามพระอาจารย์ก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมครับก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังสู้ย อยู่กับท่านไม่ได้เพราะท่านจะมีกฎมีระเบียบมีกติกาให้เราจะโลเลไม่ได้จะที่วัดนี่มีเวลาวัดต้องถือเวลาบินฑบาดก็ต้องบินรบาดเวลาฉันก็ต้องฉันเวลาปัดกวาดก็ต้องปัดกวาดเวลาอบรมก็ต้องอบรมคือมันมันจะทําอะไรนอกลูนก่นอกทางเดี๋ยวท่านเห็นะ เดี๋ยวไม่ทาอะไรที่พอไม่ได้ภาวนาท่านเห็นท่านไล่ไปเลยตอนต้นก็เตือนก่อนอย่างว่าหองตานี่บางตอนคืนท่านเดินตรวจวัดนะลอดูว่าถ้าเกิดาพาไปนั่งคุยกันเนี่ยแสดงว่า ไ, ไม่ภาวนาแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็เตือนก่อนเดือนครั้งสองครั้งถ้ายังทำอยู่เดี๋ยวก็เชิญออกจากวัดไปว่าไม่ไม่ได้มาภาวนาแล้วมาสังคมมาคุยกัน บางทีคุยกันก็เดื่มจิบน้ําชากาแฟจิบเนยข้นเนยแข็งอะไรกันไปเนี่ยมันจะจิตมันจะทะเละทะลายเราให้มีความเค้่งคัดขนาดไหนก็ตามมันก็ต้องมีช่วงที่มันเบื่อช่วงที่มันอยากจะออกนอกลูก่นอกทางเอานั้นก็จะได้อาศัยกูบาอาจารย์คอยคอยกำหลาบแลยเวลาที่มัน อยากจะไปนู่นมานี่โดยไม่มีเหตุผลเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะไม่ให้ไปแต่ถ้าเราอยู่ของเราเดี๋ยวอยู่นา น, านๆเบื่ออึดอัดไปนู่นมานี่แล้วมันก็หลอกเราว่าไปไปเปลี่ยนที่ไปภาวนาแต่ความจริงมันอยากจะไปมันออกจากโกงมากกว่านีนนน่มันมันต่างกัน นอกจากเราเป็นคนที่เข้มงวดกดขันกับตัวเราจริงๆมีวินัยในตัวเองบังคับตัวเราเองได้ไม่ต้องให้คนอื่นมาคอยบังคับให้กับเราแล้วเราต้องรู้จักรู้จักวิธีปฏิบัติเวลาสงสัยก็แก้ปัญหาเองได้ยังนั้นนะ่ยมันก็ไม่ต้องมีครูอาจารย์แต่ไม่มีทางทางนี้ส่วนใหญ่เก่งขนาดไหนก็ต้องมีครูบาอาจารย์ หลวตามหาบัวนี่อยู่กับหลวงปู่มั่นต้องแปดเก้าพันสามขนาดนั้นยังไม่ยังไม่สําเร็จเลยหลวงปู่มั่นตายไปก่อนอแต่ก็ได้แนวทางอ่ะก็มามาสําเร็จรู้สึกว่าหลังจากที่หลวงปู่มั่นตายไปไม่กี่เดือ น, นมาสำเร็จแต่ว่าก่อจะสําเร็จท่านก็บอกว่าเป็นเจอปิิศนา ถ้าหลวงปู่มั่นอยู่ไปเล่าปิิศนาให้ท่านฟังนี้ท่านก็จะแก้ให้ทันทีเลยแต่อันนี้ไม่มีท่านเลยต้องแก้เองแก้ปริศนาบอกใช้เวลาสามเดือนเพราะฉะนั้นมันมันต้องมีวัดมีที่ปฏิบัติมีสถานที่สงบสงัดทิเวกแล้วก็มีครูบาอาจาร แล้วผู้ที่อยู่ร่วมกันก็มีส่วนช่วยด้วยบคนที่เขาปฏิบัติเข้มข้นกับเรามันก็ทําให้เราต้องเข้มข้นตามเขาตอนริ่มต้ น, นเราก็ไม่เคยอดอาหารอยู่บ้านแล้วก็คิดว่ากินมื้อเดียวนี้ก็โหดแล้วใช่ไหมพอ mm hmm. ไปอยู่วัดภาพอยู่ข้างๆวันดีคืนดีหายไปสามวันห้าวันคิดว่าพักระกลับไปบ้านที่ไหนได้ถามท่านไปไหนมาเลยว่าไม่ไปไหนอดอาหาร ทีนันเวลาอดอาหารท่านไม่ท่าน ไ, ไม่ต้องให้ออกมาบินธบาตให้เก็บตัวได้เลยเพราะการเก็บตัวมันจะช่วยได้พอเวลามาบินธบาตมันก็ยังต้องมาสัมผัสมารับรู้มาม า, มาคิดมาปรุงแต่งทำให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ถ้าไม่ต้องออกมาพบปะกับคนอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีอะไรมาก่อกวนจิตใจ ท่านกนเลยก็ไม่เห็นว่าต้องมาบินตบาตมาฉันที่ศาลาทำไมในเมื่อไม่ฉันก็ไม่ต้องมาบินตบาตไม่ต้องมาศาลาไม่ต้องมาทำกิจวัตรที่ศาลาเช่นมาเก็บกวาดถูศาลาอะไรต่างๆเนี่ยปกติพระต้องช่วยกันนะพระที่มาฉันที่ศาลาก็ต้องช่วยกันเก็บกวาดถูศาลานี่พอไม่ไม่ไม่ไม่ฉันก็นไม่ต้องออกมา เราก็ไม่รู้คือว่าพระท่านลาไปธุระที่บ้านหรือไปให้ไหนแต่ถามบอกถ้าไม่ได้ไปไหนท่านอดอาหารกันนเ่าไม่ใช่อ ด, อดอดองสององค์ในี่บางทีอดที่ครึ่งวัดหายไปที่ครึ่งวัดแข่งกันอดดรว่ไงไรม่รู้โอองเ้าอดไอเราไม่อดต้องรู้สึกเขินเลยก็เลยต้องลองอดบ้าง อดก็เห็นเป็นประโยชน์ดีเนั่นกันนะอดแล้วมันไม่ขี้เกียจกินอิ่มแล้วมันขี้เกียจมันง่วงเวลาอดนี่มันไม่ง่วงมันไม่ขี้เกียจแล้วมันถูกบังคับให้ภาวนาเพราะเวลาอดมันหิวมันมีหิวสองส่วนหิวร่างกายกับหิวจิตใจหิวร่างกายไม่ดุริยางที่หิวที่ทรมาน ก, ก็หิวจิตใจใจคิดถึงอาหารก็มาน้ําตะน้ําลายไหล แต่ความหิวของจิตใจนี้เราระงับได้ด้วยการภาวนามันก็เลยบังคับให้ต้องภาวนาให้นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิใจสงบความหิวหายไปความหิวมันเกิดจากใจคิดไปอยากพอความอยากมันสงบด้วยสมาธิความอิ่มมันก็กลับเข้ามาใจกับอิ่มร่างกายหิวแต่ใจกับอิ่มแล้วความอิ่มใจของร่างกายมันหนักกว่ามากกว่า ความหิวของทางร่างกายมันก็เลยไม่เดือดร้อนพอใจอิ่มแล้วร่างกายมันจะหิวก็ไม่เดือดร้อนไม่เหมือนพวกเราเนี่ยร่างกายอิ่มแต่ใจยังหิวหนไพอใจหิวเดือดร้อนไม่ต้องกินต่อกินยังไงทั้งเป็นตุ่มนะที่เป็นตุ่มกันก็เพราะว่าเนียกายกายมันอิม่มแต่ใจมันหิวกินแป๊บเดียวเดี๋ยวหิวขึ้ น, น่อยละ อันนึ่งกินแค่มือเดียววันหนึ่งก็อยู่ได้ละยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมือหนึ่งนี่ไม่ตายแล้วแต่ความหิวทางใจมันทําให้กินอยู่เรื่อยเมื่อก่อนก็กินสามมือเดี๋ยวนี้มันเกินสามมือเนี่ยเพราะของกินมันหาง่ายเซเว่นนี่เต็มไปหมดตู้เย็นก็มีแช่ข้าวแช่ของอะไรไว้เต็มตู้ไปหมดพออยากกินเมื่อไหร่ก็หยิบมากินกันเนีย่ยมันหิวทางใจะ นั่งกายเลยต้องรับเคาะไปนั่งกายเลยกลายเป็นตุ่มไแล้วก็ต้องเดือดนอนไปหาหมอเดือดนอนหมอต้องคอยมารักษาโรคความดันโลกเบาหวานโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆที่เกิดจากการกินมากเกินไปเห็นไของดีๆอาหารมีคุณค่ายังกลายเป็นยาพิษขึ้นมาเพราะกินแบบไม่มีประมาณ ไม่รู้จักประมาณเพราะใจมันหิวใจนี่ใจหิวแต่ไม่ให้อาหารที่ใจไปให้อาหารที่ร่างกายเหมือนเหมือนตัวลูกหิวแต่แม่กลับกินเองอย่างเงี้ยลูกมันก็ผอมกระลองกันแหลงเน่ยตัวแม่ก็อ้วนอย่างเงี้ยเพราะให้ผิดที่ใจหิวก็ต้องให้อาหารใจสิแต่ไปให้อาหารกายมันก็เลยให้ใจมันก็เลยยิงหิวอยู่นั่น ให้อาหารกายเท่าไหร่ใจก็ยังไม่หายหิวอยู่นั่นนะเพราะไม่ได้ให้อาหารใจอาหารใจคือความสงบไม่ให้มันพอมันหิวก็พุโทโธพุโทโธไปสิเนี่ยป้อนมันเ น, นี่ยป้อนไปพุทโธพุทโธนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดอะไรพอใจสงบแล้วมันอิ่มขึ้นมาเลยเราเวลาหิวเราไม่รู้ว่าหิวไหนกันหนะ้าต้อง ถ้าใช้ปัญญาหน่อยก็รู้ก็วันนี้กินข้าวหรือยังกินมื้อเดียวก็สแสดงว่าพอแล้วสําหรับร่างกายเนี่ยกินผนเดียวเนี่ยพระที่วัดนี่ฉันมื้อเดียวกันนั้นแหละพระบนเขาเนี่ ย, าายมาเช้าฉันเสร็จก็ขึ้นมาบนนี้แล้วอันี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากตอนบ่ายเอาเผื่อร่างกายมันยังหิวบ้างก็ทีนี้ต้องเอาแต่น้ําปะนะน้ำผลไม้พอที่จะบรรเทาความหิวทางร่างกายได้บ้าง บางองค์ท่านก็ไม่ฉันเลยท่านหิวน้าก็ดื่มน้าเปล่าๆไปก็พอแล้วยังถ้ามันถ้าได้รับประทานมื้อเดียวแล้วหนหนึ่งลถ้ายังหิวเนี่แสดงว่ามันหิวทางใจละไม่ใช่หิวทางร่างกายอยาให้อาหารทางร่างกายควรจะให้อาหารทางใจโดยการไปนั่งสมาธิทาใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะหายหิว แต่ถ้าอยากให้มันหายหิวแบบไม่ไม่มีวันกลับมาก็ให้นึกถึงเวลาหิวก็นึกถึงอาหารธรรมดาเราหิวเรานึกถึงอาหารที่อยู่ในจานใช่ไหมนึกถึงขนมจีบสละเปาอะไรอยู่ในจานแล้วหิวมันน้ำมันก็น้ําลายไหลขึ้นมาต่อไปเวลาหิวอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานให้นึกถึงตอนที่มันอยู่ในปากเนี่กยก่ย่างที่อ ร, อร่อยเนี่ยเวลาที่เคี้ยวอยู่ในปาก ผสมกับน้ำลานี้ถ้าอยากจะรู้ว่ามันอร่อยหน้าตามันเป็นยังไงก็คายมันออกมาดูเลยคลายออกมาจากปากก่อนแล้วก็เอากลับเข้าไปกินใหม่เออ่อทำไมมันอร่อยไหมตอนอยู่ในปากเนี่ยอาหารที่อยู่ในจางานอยู่ในปากอันไหนอร่อยกว่ากันอ่ะเออ แต่เรามันเอาทั้งสองอย่างรูปก็จะรูปในจานแต่อาหารยาวในปากแต่ไม่ยาวมองหน้ามันเลยเวลามันเข้าไปในปากแล้วมันต้องดูหน้ามันด้วยแมึงอร่อยหน้าตางเป็นยังไงอออกมาแล้วก็วทิ้งไปเอาเข้าอีกไม่ได้ทําไมไม่ได้ก็ปากของเร า, าเราอยู่ในปากทำไมเ <laughs> นี่ยถ้ามันเห็นอาหารในปากแล้วมันก็หายหิวเลย ต่อไปเวลาหิวก็ให้นึกถึงอาหารในปากหรืออาหารในท้องก็ได้เวลามันอาเจียนออกมาเนี่ยเเวลาจะกินอาหารก็คิดถึงอาหารว่ามันจะไปรวมกันที่ไหนมันจะไปรวมกันในท้องใช่ไหมก็ให้มันรวมกันในจานก่อนไม่ได้อของเค้าของหวานผลไม้ขนมอะไรใส่ก็ไม่ในชามแล้วก็คุกมันเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องไม่ใช่หรอ ถ้าจะกินอาหารเพื่อร่างกายก็ต้องกินแบบนี้ลที่เรากินแยกกันว่ากินเพื่อใจกินเพื่อกิเลสกินเพื่อความอยากของหวานอย่างหนึ่งของขาวอย่างหนึ่งผลไม้อย่างกาแฟอย่างขนมเค้กอย่างมารวมกันไม่ได้แล้วมันไปรวมกันที่แล้วมันไปรวมกันหรือเปล่าอ่ะมันก็รวมกันอยู่ดีวิธีที่จะทำให้ไม่หิวยาวเวลาหิวอะไรก็ให้นึกถึงนึกถึงภาพของอาหาร ที่รวมรวมกันไปได้อยู่ในท้องเนี่ยเมื่อเวลาที่มันออกมาทางทวารหนักไปได้มันก็อาหารเหมือนกันเน่ใช่หรอทไมออกมาตอนนั้นไม่อยากแตะมันเลยเราแตะมันดูเลยมันน่ากลัวเวลาเข้าไปจับมันเข้าไปได้จับแล้วเข้าไปในปากได้เวลามันออกมาทําไมไม่เอามือไปรับมันออกม มันก็อาหารเหมือนกันไม่ใช่เนี่ยกิเลสมันหลอกเราไยหลอกให้เรารักกอดให้เราฉันของนันเดียวกันเนี่ยพอเวลาแฟนมีลมหายใจนี่ก็กอดกันได้พอไม่มีลมหายใจนี่กอดไม่ได้นะทําไมมันก็คนเดียวกันไม่ใช่เนี่ยกิเลสแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยถึงทําให้เราวุ่นวาย แล้วเราต้องดัดสันดานกิเลสเนี่ยมันอยากกินมากๆกแจับอาหารที่จะเข้าไปในท้องนี่มันรวมกันในชามเลยเนี่ยที่พระฉันในบาทเนี่ยในสมัยที่เราบวชใหม่ๆนี่เราก็เอามันอย่างนี้แหละเพราะเรารู้ว่าบวชใหม่นี่เป็นพระต้องนั่งอยู่ปลายแถวตอนที่อยู่วัดบวรยังยังฉันเองได้ยังไปบินตบาทเองแล้วอาหารได้มาก็สามารถที่จะเลือกกินได้แต่เราไม่เลือกอะ ว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวต่อไปไปอยู่วัดป่านี่เขาไม่ให้เลือกแล้วก็ต้องนั่งตามลำดับ <c oughs> พรรษาพระใหม่ก็อยู่ท้ายแถวจะไปวางอาหารดีๆมาถึงท้ายแถวมันไม่มีหรอกแล้วแต่แต่ที่วัดป่าบ้านตายก็ดีอยู่อย่างท่านม่พระเลือกอาหารไม่ให้จัดเองให้พระช่วยกันตักใส่บาตรคือพระอาจารย์หลวงตาท่านจะเป็นคนตักใส่บาตรของท่านแล้วท่านก็เอาของ าานั้นให้พระช่วยไปตักใส่คนละช้อนคนช้อนคนช้บาตละช้อ น, น, อ น, น, อนไม่ให้เลือกเหมือนกันหมด <c oughs> อย่างเงี้เวลากลับไปนั่งที่บาตนี่มันรู้อาหารไรู้มันปนกันเลยทเทไปหมดเลย <c oughs> เอพราพระเขาก็ไม่สนใจไม่ใช่บาตกูเนี่ยว่าตักใส่ <c oughs> เหมนสนามรบหลายฐานในบาทเนี่ยวนกันเละเทะไปหมดเลยอนาดวัดป่าเขาจาัเงินอย่างนั้นบางวัดโหดกันนี่มีวัดที่ดอยปุยนี่เป็นวัดอยู่ใกล้วังกับก็อยู่ใกล้หมู่บ้านของแมวสายหนึ่งไปบ้านหมู่แมวหู่บ้านแมวสายหนึ่งไปหมู่ไปวังไปตําหนักผู้เพลงไป อหลวงพ่อท่านกลับมาว่าเอาหารทั้งสองสอ ง, สองสายนี่มารวมกันในหม้อแล้วเอาอุ่นมันใหม่ก่อนพอตักใส่บะคนมันยะมันแย่งกันเดี๋ยวมันจะแย่งเอาแต่อาหารในวังอาหารไม่ร้อนไม่กินกเ น, นี่ยพระปฏิบัติท่านกินกนแบบเนี้ยท่านกินเพื่อฆ่ากิเลสก็อร่อยดีไม่เคยได้รับแสงดวงตาเลอก็กินดูสิทำไมไม่กินกินะ ก็กินแบบนี้ลงกินดูสิ น, น, สนั่นนั่นสิทำอร่อยจริงนะมันไม่ทํามันทุกวันอนะ่ะอร่อยเออแต่ไม่กล้าตอนนี้ไม่กล <laughs> ้าเนี่ยธรรมะมันเป็นอย่างเงี้ยธรรมะมันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนยาขมเพราะเราจรึงไม่ชอบชอบกินกันอนะ่ะเอโรคภัยมันเลยไม่หาย ความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจความวุ่นวายใจมันไม่หายเพราะเราไม่ยอมกินยาขมกันถ้าเรากินแบบที่้าเฉันได้ต่อไปเรากินอะไรก็ได้เศษเดนอาหารของใครก็กินได้ไปไปที่ไหนก็สบายเขาจัดอาหารอะไรให้กินก็กินได้เราต้องฝึกจิตของเราอย่าจู้จี้จุกจิกใช้เหตุผล การกินก็เป็นการเอาอาหารเข้าไปในท้องจากเข้าลําดับหนึ่งสองสามเนื้อเอามารวมกันแล้วเข้าไปทีพร้อมกันมันก็มันก็เข้าไปในท้องเหมือนกันแหละใช่ไหมแต่ถ้ามันไปไปติดที่ตรงกิเลสกิเลสเอาไม่ได้ต้องต้องต้องพ้น ต, ต้องของว่างก่อนแล้วค่อยของหนักแล้วค่อยของหวานตามมาเป็นขั้นขั้น แบบฝรั่งเศสเนี่ยก็มีสามอหาหารก็มีสามชุดชุดแรกอาหารเบาก่อนแล้วก็อาหารน่ะแล้วตามด้วยของหวานของผลไม้อะไรแล้วก็ตามด้วยน้ำน้ำวายใช อ, อเสลยนั่นแหละเลยถ้ามันไปไหนมันก็เข้าไปในท้องแล้วมันก็ไปที่ห้องน้ำที่เดียวกันนะ กินแบบพระเนี่ยสบายง่ายดีเราจะไม่มีปัญหาอาหารชนิดไหนมาก็อร่อยไปหมดยิ่งถ้าฉันมือเดียวเนี่ยมันขิวนะตอนเช้าเนี่ ย, ายการจะได้ฉันทียี่สิชั่วโมงถ้าฉันมือเดียวเนี่ยพอถึงเวลาฉันนี่ข้าวเปล่าก็อร่อยตัดข้าวเปล่าเข้าไปในป่ากก็หวานข้าวเปล่าเนี่ยไม่ต้องมีกับะละ งั้นกับข้าวอะไรก็โอ้โหวิเศษไปหมดเลยกินได้เจริญอาหารแต่มันจะมันจะดูดเดินอยู่สักพักหนึ่งพอเริ่มรู้สึกอิ่มแล้วมันอาหารวิเศษขนาดไหนมันก็ไม่อร่อยแล้วกินไม่ลงแล้วเนี่ยมันเรื่องของร่างกายพอมันขาดอะไรมันจะเห็นอะไรมันจะดูดพอมันได้เต็มแล้วมันดูดไม่เข้าละมันก็เลยรู้สึกอิ่มไม่อยากจะกินก็หยุดมัน แต่ถ้าเรากินด้วยความอยากก็ยังอร่อยอยู่ยังกินต่อมันก็เลยทำให้ร่างกายนี่มันพองขึ้นมาเหมือนเอาเอาน้ำใส่ไปในลูกโป่งนะยงยะยิ่งใส่มากกายิ่งพองมากใส่มากๆเดี๋ยวเรา ม, ามันแตกธรรมะมันอย่างนี้ไม่มีใครสอ น, นต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ ถึงแม้อ่านในหนังสือมันก็ไม่ค่อยเจอเจอบางทีก็อ่านข้ามไปบางทีมันไม่มีรายละเอียดอย่างนี้เพียงแต่บอกข้าวๆบอกให้ให้รับประทานอาหารในบาทพอบอกอย่างนี้ก็เอาใช้ก็ไปแบ่งอาหารแยกอาหารในบาทที่ก็มีบางคนก็เอาข้าวไว้มุมหนึ่งเอากลับไว้มุมหนึ่งเอาของของหวานไว้มุมหนึ่งนั่นก็ยังยังยังยัง ยังเป็นกิเลสอยู่ถ้าไม่ใช่เป็นกิเลสก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องไปแยกใส่เข้าไปตรงไหนก็ได้ป่อนกันไปถ้าจะให้มันดีกว่านะั้นก็คุก ม, มันเลยเหมือนข้าวหมาเลยหมานี่มันหมานี่มันเก่งกว่าคนนะมันถือทุต dong ขวัดได้แล้วดูมันกินอะไรตั้งหลาย มาไม่ไกลบ่นเลยมาข้าวอยากคุกให้ผมเลยคุกให้มนะันแล้วมันชอบนะนี่ก็เรื่องของธรรมะเรื่องของการปฏิบัติต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์ก็เมื่อันก่อนมีคนถามว่าตอนนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วทำไมถึงบวชภิกษุณีไม่ได้ก็เพราะไม่มีภิกษุณีมาสอนภิกษุณีเลย คยมาสอนภิกษุณียตามต่อไปไม่มีพระสงฆ์แล้วมาบวชแล้วใครจะมาสอนพระสงฆ์เพราะวิถีชีวิตของพระสงฆ์กับวิถีชีวิตของฆราวาสมันไม่เหมือนกันใช่มันโกนหัวห่มผ้าเหลืองได้มันง่ายแต่วิธีอยู่กองพระสงฆ์องค์เจ้าท่านอยู่กันยังไงมันไม่เหมือนกันถ้าไม่มีคนสอนก็ทำกันแบบผิดผิ ด, ผดถูกๆ ของพวกเราเนี่ยสายพระพุทธเจ้าเป็นคนคนแรกเป็นอาจารย์คนแรกแล้วก็ถ่ายทอดกันมาเหมือนปู่ย่าตายายสอนลูกสอนหลานกันมาอย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีๆถ้าเด็กมันเกิดมาในจากโพงไม้ใครมาสอนมันนะสอนให้มันอยู่ได้ยังไงมันก็ทําอาจจะอยู่แบบสัตว์ในราชาเนี่ยนะอย่างมินิทานเนี่ยที่เขาเอาเด็กไปทท่งไว้แล้วไปอยู่กับลิงเนยลิงมันก็เลี้ยงให้เป็นทาสานใช่ไหม ร้งองเหมือนกันลิงร้องฮอยโหนต้นไม้เหมือนกับลิงโหนก็เพราะว่าอาจารย์พ่อแม่ใครสอนอยังไงมันก็ทําอย่างนั้นเห็นไหมเราเป็นลูกคนไทยพ่อแม่ก็สอนให้กินข้าวกินอาหารไทยถ้าเกิดเขาไปฝากให้ฝรั่งเลี้ยงเดี๋ยวก็ฝรั่งก็สอนให้กินขนมปังกินอะไรไปพูดก็พูดฝรั่งไปมันอยู่ที่คนสอนเหมือนการพระพิกพิกษุนี้ก็ต้องมีคนสอน คนแรกที่สอนก็คือพระพุทธเจ้าภิกษุณีก็มีพระพุทธเจ้าสอนสินสามร้อยกว่าข้าของภิกษุณีก็พระพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติขึ้นมาให้รักษาทีถ้าเกิดไม่มีคนที่ก็เป็นภิกษุณีแล้วเวลาเราไปบวชภิกษุณีใครจะสอนเรามันก็เลยมีไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากให้มีมันมีไม่ได้มันไม่มีคนสอน ก็มันไม่เหมือนกันส่ะที่เขาพิชตุนีทั้งสามร้อยกว่าข้อของพระแค่สองร้อยกว่ามันมีเรื่องของผู้หญิงที่ผู้ชายไม่รู้ผู้หญิงก็ต้องรู้กันมันก็เลยสอนไม่ได้สอนไม่ครบนะตอนรต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งแทนกันได้ ไม่มีพระพุทธเจ้าถ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์ก็ยังถือว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระธรรมคำสอนนี่เป็นตัวแทนของเราถ้าเธอได้ถึงพระธรรมเจ้ากับเธอได้ถึงเราเธอจะไม่ได้อยู่ป่าสจากครูบาอาจารย์เราต้องยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์อย่าไปเชื่อหมอดูอย่าไปเชื่ออะไรต่าง ตรงนี้เป็นพวกตาบอดทั้งนั้นหมอเดาทั้งนั้นตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดแล้วไปสอนคนอื่นให้เขาเอาตัวรอดได้ไงตัวหมอดูก็ยังทุกข์อยู่ต้องไปหาคนที่เขาไม่ทุกข์สอนเราเราจะได้ไม่ทุกข์กันไปหาหมอดูหมอดูก็ไม่สามารถรักษาโรคความทุกข์ใจได้เป็นแต่ลอกให้เราสบายใจบอกเออเดี๋ยวนะก็จะดีนะเดี๋ยวจะได้นู่นได้นี่มานะ เราได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้พ อ, พอได้ก็เป็นเรื่องเหตุบังเอิญพอไม่ได้ก็คิดว่าอะยังยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้ <c oughs> ไม่มีทไม่มีอะไรในโลกนี้หรอกที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้เราดับความทุกข์ทางใจของเรานี้ให้หมดไปได้แต่อยากจะพ้นทุกข์ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพรานั้น ผู้อื่นไม่สามารถสอนให้พ้นทุกข์ได้เพราะผู้สอนเองก็ยังไม่พ้นทุกข์แล้วจะไปสอนให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้อย่างไรนี่คือความประเสริฐความรํำค่าของพระรัตนตรยัยมีราคาคุณค่ามากกว่า เ, เพชรขนาดขนาดลูกส้มเลยเอาขายได้เพชรขนาดลูกส้มมาจะไปทำอะไรจะทำให้ความทุกข์หายไปหรือเปล่า คามทุกข์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมกลับจะทุกข์มากขึ้นเพราะไม่รู้จะเอาเพชรเม็ดนี้ไปเก็บไว้ที่ไหนดังนั้นขอให้เราพยายามเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะได้ของที่มีคุณน้าค่าแก่ชีวิตของพวกเราก็คือทําให้เราพ้นทุกข์กันมหาเศรษฐีแสนล้านก็ยังไม่พ้นทุกข์พระราชามหากษัตริย์ก็ยังไม่พ้นทุกข์ พระธานาธิปดีนายกรัธมนตรีก็ไม่พ้นทุกข์อย่างแต่ผู้ที่มีพระพุทธธรรมพระสองฆ์อยู่ในใจคือพระอริยสงฆ์พ้นทุกข์กันอย่างเรามาเอาอริยทรัพย์ดีกว่ามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันด้วยการศึกษาจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์อ่าหนังสืออ่านคาสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกอ่านหนังสือคําสอนของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้วนาเอาไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าทุกต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้จะหายไปหมดเลยถ้าเป็นโครคภัยไข้เจ็บของร่างกาย <ๆ S 1> ก็จะไม่มีโรคภัยอีกต่อไปไม่มีโรคมะเร็งไม่มีโรคความดันไม่มีโรคหัวใจไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องกินยาไปตลอดใจเราไม่มีวันตายแล้วก็จะไม่มีวันทุกถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะทุกไป แบบไม่มีวันตายเหมือนกันนะพวเรานี้ตายทุ ก, กันมาไม่รู้กี่กลับนะเมื่อกี้ก็บอกเรากลับในมันนา น, นานขนาดไหนแต่ว เ, เราทุกมานี้มากกว่าหลายกลับด้วยกันเพราะเราไม่มีจุดเริ่มต้นนะมันไม่รู้หาจุดเริ่มต้นไม่เจอใจของพวกเราแล้วจุดจบก็ไม่มนะีมันก็มีอยู่สองอย่างเนทะ่านั้นมันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เท่านั้นเอง จะให้มันไม่ทุกข์ก็ต้องมีพระพุทธธรรมมาส่งมาสอนถ้าไม่มีก็จะไม่มีวันพ้นทุกข์ได้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรอน<ม>ยถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกัก ป, ปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกาปาจันโทปนะราโซยะธาเมณิโชติอาราโซยะธาสัพพิตโยวิวัจจันโตสัพพโรโคมีนัสสตุมาเตภวตวันตารายุสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิตสานิจังวุฒาปจายนโนจตารุธรมมาวาทานติอายุวันโอ ส, สุขังภาลางมีทับถามไหมฤทธิ์นี่ออกขนงพ่อ อ, <laughs> อยู่บ้านในโยมเคยฟังคำฟังธรรมะของพ่อในในไซส์ไหม เอ๋อดีใจนะคะแล้วก็เป็นก็กดไลค์กดแชร์ธรรมะของหลวงพ่อบ่อยๆค่ะแต่ไม่เคยส่งคําถามเข้ามายังไม่เคยค่ะยังไม่ได้ปฏิบัติะก็ปฏิบัติที่บ้านก็อยู่วัดแถวบ้านค่ะอธรรมะหลวงพ่อดนใจไหลไหลข้อเลยค่ะไหลสองข้อค่ะมีมาครั้งแรกหลวงพ่อก็ขับ ตาม G P S มาอ่ดีทำไมต้องมาด้วยล่ะก็ติดตามทางบ้านก็ได้อยากมาเจอหลวพ่อตัวจริงอ๋อตัวปลอมก็ได้นี่เห็นกันตัวจริงเหมือนกันออยู่บริกแก้วค่ะอ๋อใสแก้วอยู่ตีกระชายแดนนะค่ะค่ะอยู่บนน้ำเย็นค่ะบนน้ำเย็นย้อมบนน้ำเย็นเมื่อสัครูเนี่ยค่ะที่ประชาก็ถ้าเกิดว่า เรานั่ปวดก็ให้ดูมันเหมือนกับว่าเราทําอะไรมันไม่ได้เหมือนฝนตกก็ต้องรอให้มันไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเทียมขึ้นมาว่าคือขึ้นเหมือนกับว่าถ้าเกิดปวดเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ว่าเราทําอะไรกับมันไม่ได้คือถ้าเราเปลี่ยนทามันก็จะไม่ปวดไปอย่างนี้เราจะแก้แก้ล้ำยังไงอ๋อนี่เราสร้างไงเราสร้างเผื่อจะต่อไปมันเจอปวดแล้วมันมันขยับยังไงมันก็ไม่หายปวด ตอนนี้เรากำลังซ้อมอยู่คือซ้อมไม่คิดว่าเราจนมุมอ่าจนมุมแล้วเราทำอะไรกันไ ม, ไม่ได้แล้วอ่าปล่อยมันอ่อยู่กับมันหัดอยู่กับมันให้ได้แล้วไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดกินยาแก้ปวดเดี๋ยวก็ไปติดยาแก้ปวดเด็กเดี๋ยวนี้มันหาเรื่องคนติดยาแก้ปวดนี่หรุนแรงมากเพราะยาแก้ปวดนี่เดี๋ยวนี้ต้องระดับมอร์ฟีนต้องระดับฝิ่นนะแล้วพอติดแล้วมันก็เหมือนคนติดติดฝิ่นติดอะไรแล้วมันก็เลยมันก็เลย ติดจนกระทั่งมันเสพจนกระทั่งมันมันมันเกินก็ตายกั น, เ, นเพราะกลัวความเจ็บกันไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อความเจ็บความเจ็บทางร่างกายมันไม่รุนแรงที่มันรุนแรงก็คือความกลัวความเจ็บความอยากให้ความเจ็บหายไปเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราทรมานไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัตินี้เราไม่ต้องกินยาแก้ปวด เชื่อไหมนเนี่ยตั้งแต่เราบวยมาไม่เคยกินยากแก้ปวดเะยมันปวดที่ร่างกายแต่ใจเราไม่ปวดอะ่ะปวดที่ร่างกายมันทนได้นแต่ปวดที่ใจเนี่ยทนไม่ไหวกันแล้วทำยังไงหลวงพ่อเนีย่ยเราตั้งสัจจะว่าเราจะนั่งสมาธิสองชั่วโมงโดยไม่ขยับแล้วก็ต้องเสียสัจจะเพือห้านาทีสุดท้ายหรือสิบนาทีสุดท้ายก็พยายา ม, มขยันพุโทโธไปเลยท่องพุโทโธไปมันทนแ้าไปได้หลวงพ่อมันมันขี้เกียจอะไรอย่าไปทนเย่ยขยันพุโทโธ พออยากจะรู ok> ้กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปตามันจะหลุดมาเลยหลงให้มันหลุดไปอยู่กับพุทโธไปทันตะเแพ้ทุกเพนั่นอีกข้างทีก็พุทโธไปอภาวนาไปอย่าหยุดถ้านั่งเฉยๆแล้วมันอยู่ไม่ได้เพราะความอยากมันจะผลิตความอยากขึ้นมาตลอดเวลาพอเราพุทโธพุทโธมันก็ไปหยุดความอยากพอหยุดความอยากความทรมานใจก็หายไป ความเจ็บอะไรไม่รุนแรงเลยนั่งต่อได้ครึ่งชั่วโมงพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้ถ้ามีสติสตังพอจะสวดแต่ตอนนั้นมันไม่ไม่มีสติสตังหลอกจะลุกจะลุกจะลุกอย่างเดียวเราก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปหรืออิติปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโธออย่าให้ใจมันคิดว่าจะลุกจะลุกให้มันไม่คิดว่าพุทโธพุทโธคิดบทชสวดมนต์แล้วเดี๋ยวมันลืมเรื่อง ความอยากจะลุกความทรมานใจก็จะหายไปดีไม่ดีจิตก็จะสงบลงไประดับหนึ่งแล้วเราจะนั่งได้นานต่อไปแล้วจิตของเราจะมีสมาธิมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นไม่งั้นก็จะติดตรงนี้ทุกทีครับเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเรตั้งเสดจักว่าพชั่วโมงครึ่งจะไม่นั่งจะลุกไม่ลุกหรือสองชั่วโมงเนี่ยห้านาทีสังเกตว่าประมาณสักหานาทีไม่เกินสิบนาทีน่ะจะทนไม่ไหวลังอย่าไปเอานาฬิกาตั้งไว้ไกล อย่างนี้คอยดูเลยการยท่านที่จะพูดโทไว้ดูรายกาเพราะมันอยากจะลุกเนยัยังไม่ดังอ่ะอตั้งได้อย่าอย่าไปอย่าไปดูให้มีเสียงดังถ้ามันยังไม่ดังอย่าไปสนใจยิ่งไปคิดเมื่อไหร่มันจะดังเมื่อไหร่จะดังเดี๋ยวมันนั่งไม่ได้แนละ้วพยายามพูดโทต่อไปคำบริกรรมเนี่ยวิเศษที่สุดเวลาที่จิตมัน มันดื้อมันด้านต้องสู้กันด้วยคําบริกรรมเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มันขาดใจตายไปกับพุโทโธเลยแต่ระโทบางทีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ควรนั่งสมาธิเกินสาสิบนาทีอย่างนี้จ ะ, ะ, จะนแสดงว่าท่านนั่งไม่เป็นเลยไม่มีใครเพราะพระพุจารย์ไม่เคยสอนว่านั่งไม่เกินสาสิบนาทีหรวงพ่อเจ้านั่งบอกจะนั่งจนกว่าจะตัดชั้นรู้นั่น อ๋อท่านบอกว่าถ้าถ้าเลือดถ้ายัางไม่ตัดสรู้นี่เลือดในกายเกิดแห้งไปก็จะไม่ลุกอะเอาคําสอนพุทธเจ้ามาใช้เลยเอาคําสอนของคนไม่ปฏิบัติมาใช้ก็บอกนั่งสามสิบนาทีก็นานแล้วเข้าใจไหมเพระพุทธเจ้าเคยสอนหรือเปล่าไม่ให้นั่งเกินสามสิบนาทีอย่ไปศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยอยู่ตอนที่ตัดสู้เนี่ยท่านตั้งสัจจะไว้ยังไง จะนั่งตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสิ้นจนกว่าความอยากยจะลุกจะหายไปถ้ายัางอยากจะลุกอยู่จะไม่ลุกแล้วจิตเข้าวพวังก็ไม่เปไน็นไรแลวคพ่อเข้ า, ขาวพวังก็ดีนะเพราะเราต้องการให้มันเข้าวพวังแต่จะขออย่าเป็นพวังหลับก็แล้วกัน <c oughs> แต่คงไม่หลับอะถ้ามันทุกข์มากๆากมันเจ็บมากมากไม่หลับเข้าวพวังมันก็ดีมันก็จะเราก็จะได้พวังได้สมาธิได้ฌานขึ้นมาตอนต้นนี้เราต้องการฌานต้องการสมาธิก่อน แล้วเวลานั่งสมาธิทำไมปฏิบัติไปปฏิบัติไปเหมือนเหมือนไม่พัฒนาหลวงพ่อเคยนั่งจิตรวมกายกับจิตแยกออกจากกันเพราะนั่งไปจะนี้ไม่ได้อะไรเลยหลวงพ่อท่ารู้สึกยังไงคะอ๋อ<ะ>ก็มันก็ได้แค่นั้นไงสมาธิก็ได้แค่นั้นได้จิตรวมถ้าอยากจะก้าวหน้ากว่านั้นก็ต้องไปทางปัญญาเป็นพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่นี่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ คิดแล้วก็ปล่อยด้วยสิเงินทางมีก็เอาไปทําบุญให้หมดเก็บไว้เท่าที่จําเป็นสา ม, มีก็แยกทางกันไปจะได้ไม่ทุกข์กับเขาไงตอนนี้ทุกข์กับเขาไห ม, นนกกไหมละ่ะไม่ทุกข์เหรอทุกข์แต่ไม่มีเงินก็อ <laughs> ย่าไปใช้เงินเลยะหยุดใช้เงินไงใช้เก่งใช้แต่เฉพาะใช้ใช้แต่เฉพาะพที่มันจําเป็นก<ช>็จะไม่เงินก็จะพอใช้ อย่าไปอาศัยสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขเพราะมันไม่เที่ยงวันดีคืนดีมันหมดไปจะทําให้เราทุกข์ให้เรามาเาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่าเอาความสุขจากการนั่งสมาธิต้องใช้ปัญญาถึงจะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้แล้วจิตจะมีความสุขมีความกล้ า, าหาญจะไม่หวนไหวกับเรื่องราวต่างๆเพราะเราไม่ไปพึ่งเขาแล้วเขาจะอยู่ก็ได้เขาจะไปก็ได้ พอเรารู้ว่าเขาไม่เที่ยงพึ่งเขาไม่ได้เเราเราไม่รู้กันยังไปพึ่งเขาอยู่ยังไปพึ่งเงินทองอยู่ยังไว้พึ่งสามีภรรยาอยู่ไปพึ่งอะไรต่างๆอยู่เอาเวลาวันดีเกิดีมันจากเราไปก็ทุกข์กันแต่ถ้าเรามาพึ่งสมาธิเราสบายเวลาไม่สบายใจก็พุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเด๋ย ว, ยวใจก็สงบมีความสุขแล้วไม่ต้องมีเงินไปซื้ออะไรมาให้ความสุขกับ ตอนนี้เวลาไม่สบายต้องไปชอปปิ้งสักหน่อยถึงจะสบายซื้อกระเป๋าใหม่สักใบซื้อรองเท้าสักคู่เลยแฮปปี้ไปสองสามวันเดี๋ยวก็ไม่สบายใจขึ้นมาใหม่ะของมันเต็มบ้านนู้นบ้านนะเพราะไม่ได้กาวิธีไม่ได้ดับความทุกข์ด้วยวิธีถูกวิธีที่ถูกก็คือต้องไม่ไปพึ่งสิ่งเหล่านี้มาดับทุกข์ให้มาพึ่งสมาธิพึ่งปัญญานะ ออกไปได้ต้องมันพิจารณาอ น, นี้อันนี้จาวงวของทุกอย่างที่เราไม่อยู่นี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาจจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้อนั้นตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลาเขาจะจากเราไปนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้ถ้าเราไม่ไปอยากแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเข า, เขาที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขาอยู่เราไม่อยากเห้เาไปพต่พอเขาไปเราก็เลยทุกข์ พอเงินทองหมดเราก็ทุกเพอเราอยากให้มันอยู่แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทองมันจะอยู่หรือจะไปก็ไม่มีความหมายอะไร <c oughs> ะทางบ้านมีไหมมีเ<ม>ข้ามาหน่อยแลย้วลองถามคำถามจะทำ Facebook Live ครับจากคุณมณีการครับอาจารย์ครั บ, ราารรบสภาวะจิตตอนร่างกายถูกยาสลบเป็นอย่างไรครับสภาวะจิตก็เหมือนคนนอนหลับอย่านี้ ระมันก็ไมปรับรเรื่องทางร่างกายไปจิตมันก็ฝันไปฝันดีฝันร้ายตามบุญตามบาปถ้าบุญมากถ้าบุญเป็นตัวเหตุทำให้ฝันก็ฝันดีถ้าบาปเป็นเหตุให้ฝันก็จะฝันรา้ายคำถามจาอไปจากทาง u t u b e ครับศักดคุณลำไ ย, ยครับถ้าเราทำอาหารถวายจังหันรพระที่วัดแต่ไม่ได้ใส่บาตรจะได้บุญเหมือนกันไหมครับได้ก็เป็นอาหารนี้กันกนะ็พับพระไปบินทบาต หรือเราไปถวายท่านที่วัดก็ได้คำถามต่อไปจากคุณคลินทองครับมีลูกชายอายุเจ้ากุมีลูกชายอายุเ ก, ก้าขวบเจ้าค่ะมีความอยากอยากมีทรัพย์สมบัติให้ลูกอยากมีความสุขและอยากอีกหลายอย่างเจ้าค่ะควรจะวางใจอย่างไรเจ้าคะก็ถามว่าอยากก็ได้หรือเปล่าอยากได้ก็ทำไปถ้าอยากแล้วไม่ได้ก็ทำใจ คำถามต่อไปจากคุณสุเมศครับการดําเนินสมาธิแบบสมถะจะสามารถพัฒนาให้เกิดปัญญาได้หรือไม่หรือต้องดําเนินแบบวิปัสนาเท่านั้นครับอ๋อปัญญามันไม่ได้เกิดจากสมาธิสมาธิเป็นเพียงแต่ผู้ให้กําลังปัญญาให้ผู้ให้กําลังกับจิตไปเจริญปัญญาอีกทีหนึง่งปัญญาต้องวิเคราะห์ต้องคิดต้องถามตัวเองว่าอันนี้เที่ยงไม่เที่ยงอันนี้สุขหรือทุกข์อันนี้เป็น เป็นของเราหรือไม่เป็นของเราแล้วมันก็จะได้คำตอบเหมือนคนที่เขานักวิทยาศาสตร์ถามว่าทำไมผลไม้เวลามันหลุดออกมาจากต้นทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปทำไมมันตกลงมาทำไมถึงมันไม่ลอยขึ้นไปเขาก็ได้คำตอบว่ามันต้องมีอะไรดึงมันลงมาเนี่ยถ้ามันไม่ลอยขึ้นไปก็แสดงว่าไม่มีอะไรดึงมันขึ้นไปมันก็เลยได้คำตอบว่าอ๋อโลกนี้มีแรงดึงดูด ทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ติดบนโลกนี้ได้ก็เพราะโลกมันดูดเอาไว้ถ้าเกิดโลกมันมันเหนื่อยเมื่อไหร่มันหมดแรงเมื่อไหร่พวกเราก็จะลอย <laughs> ใช่ไหมนี่ปัญญาต้องคิดมันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็คิดว่าทำไมาเราต้องทุกข์ด้วยก็ก็พ้นว่าเพราะเราอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็เลยทุกข์กับมันพอเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ไม่ทุกข์กับมัน แค่นี้ก็ได้คําตอบแล้วพระพุทธเจ้ตาตรัสรู้เนี่ยปัญญาของพระเจ้าง่ายๆสี่ข้อทําไมเราต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายก็เพราะว่าเรามีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเรามองความแก่ความเจ็บการตายว่าเราสั่งมันได้หรือเปล่าห้ามมันได้เปล่าไม่ได้ห้ามมันมันก็แก่เจ็บตายอยู่ดีแล้วเราไ ป, ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทําไมโง่หรือเปล่าอยากแล้วก็ทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์ ก็ปล่อยนะอย่างแฟนเราแฟนเรานี่เขาเป็นอะไรนี่ทุกข์เพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนอื่นเขาเป็นแล้วมันทํำไมเราไม่ทุกข์อ่ะเพราะเราไม่มีความอยากเนี่ยเออเนี่ยแหละก็อยู่แค่ตรงนี้ของชัดเจนนี่คือปัญญาต้องพิจารณาต้องคิดเอาต้องเปรียบเทียบทําไมเราทุกข์กับแฟนทาไมอีกคนหนึ่งของเราไม่ทุกข์ด้วยเขาก็เป็นคนเหมือนกันนะอย่างนี้ ทำไมเราต้องทุกกับแฟนแต่ทำไมเราไม่ทุกกับคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนเราก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปมีความอยากกับคนที่เราไม่ไม่ได้เป็นแฟนเราก็จะเป็นไงเราไม่เห็นทุกข์เลยแต่พอเป็นแฟนแล้วนี่พอไปคุยกับใครหน่อยทุกข์ละเพราะเราไม่อยากให้เขาไปคุยกับคนนู้นคนนี้อยากให้คุยกับเราคนเดียวเนี่ยความอยากของเราไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามเราไปถามตัวเองดูวันนี้เราทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไร ทุกข์กับใครอ้าวทุกข์กับคนนี้ทาไมต้องไปทุกข์กับเขาด้วยเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหม <Yeah. S 2> เราก็ไม่เป็นเราก็ทุกข์ขึ้นมาปัญญาแต่จะคิดอย่างนี้ได้ใจต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิอารมณ์มันครอบงำมันจะไม่ยอมคิดมันจะเอาแต่ใจตัวเองฉันอยากอย่างนี้หละจะทำจะให้ว่านยังไง <laughs> ฉันอยากองฉันอย่างนี้ <laughs> คุณอย่างนี้คุณก็ต้องทุกข์ไปเลยถ้าเวลาคุณไม่ได้ดังใจอ่ะแต่ถ้าไม่มีเวลาจิตสงบกิเลสมันจะถูกลังนับไว้ออารมณ์มันจะถูกระงับไว้มันก็จะเป็นกลางพูดอะไรมันก็ฟังได้ยอมรับความจริงได้มันก็จะเห็นโทษของความอยากแต่ถ้ามันไม่อยากจะทุกข์มันก็ต้องหยุดความอยากยอมรับความจริงอ่ะตอบแล้วคำถา ม, ามต่อไปจากคุณชัชวาลครับ ปรับเรียนถามพระอาจารย์เรื่องสารพระภูมิที่มีอยู่ในบ้านของชาวพุทธครับควรมีหรือไม่มีอย่างไรครับอ๋อมันไม่ใช่ของชาวพุทธครันสารพระภูมิมันเป็นเรื่องของของความเชื่อของศาสนาอื่นของรัชที่อื่นพระพุทธเจ้าให้เชื่อแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะยังแม้แต่พระพุทธรูปท่านก็ไม่ต้องให้มีเพราะพระพุทธลูกก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าอยู่ในพระธรรมคําสอนนะ เราอยากจะมีพระพุทธเจ้าให้มีพระธรรมคําสอนอยู่ในใจเราแล้วเราก็จะมีที่คุ้มครองเราศาลพระภูมินี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านเชื่อกันมาเมื่อก่อนก็เชื่อผีกันไหว้ผีไหว้เจ้ากันว่าถ้าไม่ไหว้แล้วเดี๋ยวผีจะมาทําร้ายเราเี่เราก็เลยต้องทำทำดีกับผีทําดีกับศาลพระภูมิเจ้าที่หาบ้านให้ก็อยูเอย่เขาอยู่ได้บ้านแคบนิดเดียว <c oughs> บ้านเราบ้านเราเริ่มเทม พอให้ศาลพอพูให้เขาอยู่ข้างเขาไม่อยู่หลอกบ้านงานไม่มีใครอยู่หลอกบ้านอย่างนั้นนี่ยไม่มีมีไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรอกไอ้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดจากกรรมของเราอ่ะกรรมดีกรรมชั่วที่มีเรื่องมีราวก็เพราะเรื่องของกรรมชั่วที่เราทําไว้ ถ้าเรื่องดีถ้ามีเรื่องดีๆก็เป็นเพราะกรรมดีที่เราทำไว้มันส่งผลคำถามต่อไปจากคุ ณ, ณนภศวร์ครับขอเรียนถามว่าการใส่บาตรกับพระสงฆ์ที่เดินบินธบาติกับการนําอาหารไปถวายที่วัดแบบอาหารมารวมกันเป็นส่วนกลางอย่างที่วัดสายป่าทำอันไหนได้บุญมากกว่ากันครับเคยมีผู้อาศุเคยมีผู้สูงอายุสอนว่าการทําบุญกับพระที่เดินบินธบาต จะได้บุญมากกว่าเป็นความจริงไหมคะ อ, อ๋อคนให้ได้เท่ากันจะให้จะได้มากได้น้อยอยู่ที่ของที่ให้ให้มากก็จะได้บุญมากให้น้อยก็ได้บุญน้อยส่วนพระนี่เป็นเรื่องของพระเขาพระเขาจะกินแบบรวมแล้วกินแบบแยกนี้ก็เป็นบุญของพระไม่ใช่เป็นบุญของโยมโยมอย่าไปบงังคับพระว่าพระอยากจะได้บุญเยอะๆก็เลยคุกอาหารเป็นข้าวมาัน แล้วก็ไปถวายพระหมเนี่ยถ้าฉันอย่างนี้แล้วพระจะได้บุญมากมีความหมายไลวง่อว่าการใสด็จมาที่พระวิญญาณตอนเช้าก็เราไปถวายที่วัดอันไหนได้บุญมากกว่ามีคําถามนะคะก็เหมือนมันก็อยู่ที่บ้างน้อยอยู่ที่อาหารที่เราถวายเนี่ถ้าเราใส่บาตรมากแล้วไปที่วัดเราให้น้อยใส่บาตรก็ได้บุญมากกว่าถ้าใส่บาตรน้อยแล้วเอาของไปถวายที่วัดมากกว่ามันอยู่ที่จํานวนของอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ ว่าถวายที่ตรงไหนหรอกแล้วยมสมัยก่อนเป็นคนที่ชอบทำข้าวไปวัดทีเยอะแบบมีศพทำสนามหลวงอ่ะอาหารปปแต่ยมไม่เคยเก่าสุธินังไม่เคยเก่าวทําถวายเพราะว่าเร่งรีบอ่ะอย่างนี้ได้บุญได้มันไม่ได้อยู่ที่เก่าวไอ้เก่านั่นมันเป็นผักชีโรยหน้าได้เหมือนกันอ่ได้เหมือนกันอยู่ที่การเสียสละของเราเสียสละมากก็ได้บุญมากเสียสละน้อยก็ได้บุญน้อยเพราะการทําบุญนี้เพื่อกําจัดความตณีไง พอความตันนี้น้อยลงความสุขใจก็จะมากขึ้นเพรนั้นถ้าอยากได้บุญมากถวายมากๆามันไม่ได้อยู่ว่าถวายแบบไหนบราพคนว่าถวายสังฆทานได้มากกว่าถวายแบบให้กับพระมัน ถ, ถ้าถวายของเท่ากันมันก็ได้บุญเท่ากันสาหรับคนถวายแต่เรื่องประโยชน์ของทางพระนี่ก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้ต่อต้นเล่าว่าถ้าถวายให้กับพระพเจ้าองค์เดียวนี้เดี๋ยวพระเจ้าตายไปก็จบ ถ้าถวายให้กับสงฆ์ให้กับพระทั้งหมดนี่มันก็จะทําให้สงฆ์อยู่ต่อไปได้แต่ถ้าถวายพระเพื่นเดียวสงฆ์ห้าสิบรูปก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องถวายห้าสิบผืนนยแต่เอาสายว่าเราไม่เราไม่ถวายคนเดียวเราถวายผืนคนนู้นถวายผืนคนที่ถวายผืนแต่ไม่ได้ไปถวายพระพุทธเจ้าองค์เดียวถวายให้กับพระที่เราเจอที่ไหนเห็นว่าเขาขาดแคลนเราก็ถวายเข้าไปเอาแล้วนะคิดว่า